วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งวันนี้ตรงกับวันแรมสิบาค่ำเดือนสิบสองตรงกับวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5พห้าร้อยห้าสิบสอง ขอให้พวกเราตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีการสั่งสมคุณงามความดีอันดับแรกพวกเราจะต้องได้รับการศึกษาจะต้องได้รับการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แต่ทางนี้ทางนั้น แก่อนหน้านี้หลวงพ่อเองก็ได้เปิด MP3 หรือว่าเทปของหลวงตาบัรตารหลวงตามหาบัวให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพอช่วงหลังๆพวกเราคงจะสังเกตว่าทำไมหลวงพ่อจึงไม่ได้เปิดเทปหลวงตาหลวงพ่อไม่ให้ความสำคัญอย่างนั้นเหรอ แต่ตามไม่จริงพวกเราต้องคิดให้ไกลกว่านั้นทำไมหลวงพ่อจึงไม่เปิดเพราะว่าเรามีสถานีวิทยุเสียงธรรมขึ้นมาเกือบสองปีแล้วที่วัดของเราทั้งวันทั้งคืนทั้งวันก็มีการคละากันมีหลวงปู่ต่างๆรวมกันแล้วทั้งยี่สิบกว่าองค์ ที่แสดงธรรมเทศนาตอนเวลากลางวันแต่เอาหลวงตามหาบัวเป็นหลักนอกนั้นก็มีหลวงปู่ล่าหลวงปูส่สิงทองหลวงพ่อพุธหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาหลวงปู่สิมแล้วก็ครูบาอาจารย์มากมายถ้าว่าพวกเราสนใจตั้งใจฟังเราไม่ต้องเดินไปในสำนักของท่านหรือเราไม่ได้เกิดในยุคสมัยท่านท่าน ยังมีชีวิตอยู่แต่ธรรมเทศนาของท่านออกมาในสถานิวิทยุของเราเราเปิดฟังได้ทุกโอกาสทุกเวลากลางวันถ้าเราเป็นผู้สนใจไฝ่การศึกษาพอกลางคืนตั้งแต่ทุ่มแล้วไปแต่ั้งแต่ส9เกนาฬิกาแล้วไปก็จะมีองค์เป็นองค์ เป็นองค์หลวงตาแสดงธรรมมะแล้วก็จะมีพระวัดป่าบ้านตาดวดมนในเวลาสองทุ่มยี่สิบนาฬิกาสองทุ่มจากนั้นไปก็เป็นธรรมเทศนาของหลวงตาอบรมพระคือเราหลวงพ่อเององค์หนึ่งเป็นผู้เข้าประชุม หรือหาหรือกับครูบาอาจารย์คณะผู้ที่ออกเอาธรรมเทศนาของหลวงตาออกบวชกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจะเป็นธรรมเทศนาของหลวงตาอบรมพระร้วนเป็นภาคปฏิบัติถึงจะอบรมโยมก็เป็นภาคปฏิบัติตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีห้า แต่เมื่อผมได้ฟังดูแล้วทุกวันนี้ผมยังฟังผมได้ฟังดูแล้วก็คือธรรมเทศนาที่ผมได้เข้ามาศึกษากับองค์หลวงตาตั้งแต่ริเริ่มเข้ามาอยู่ปี 2,512 ออกจากท่านปี 2,525 25. ก็เป็นธรรมเทศนาที่เคยได้ยินได้ฟังสมัยเมื่อเข้าไปศึกษาเพราะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายถึงจะไม่ได้เข้าไปอยู่ใกล้องค์หลวงตาเราเปิดธรรมเทศนาของหลวงตาฟังก็เหมือนก็ธรรมเทศนาเหมือนผมฟังทุกอย่างผมได้ฟังในยุคนั้นสมัยนั้นแต่เปิดมายุคนี้สมัยนี้กบธรรมเทศนาอันเดียวกันกับที่ยุคผมฟังนั้นเป็นคําพูดผู้ดเดียวกันที่ท่านอบรมพระ เพราะนั้นถ้าว่าพวกเราท่านทางหลายสนใจไฝ่าการศึกษาอย่างที่ผมได้กล่าวพวกท่านทางหลายก็เปิดฟังธรรมรเทศนาของหลวงตาฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจฟังไปแล้วก็นำมาคิดมาคิดมาวิเคราะห์จากนั้นก็นำมาปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเราไม่ใช่ว่าฟังไปแล้วก็แล้วไปจนเคยชินในการฟัง เบื่อในการฟังเบื่อในการศึกษาถ้าพวกท่านทั้งหลายใจดื้อด้านต่อการศึกษาแล้วไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วถึงจะพวกท่านทั้งหลายจะเข้ามาอยู่ในผ้ากาสาวัตหรือเข้ามาอยู่ในร่มเงาผ้ากาสาวัตเข้ามาบวชเป็นพระก็เถิดได้แต่ศีษะโล้นกับผ้าเหลืองเท่านั้น แต่ส่วนจิตใจของพวกท่านทั้งหลายไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการขัดเกลว์ไม่ได้รับการฝึกฝนตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดจะเป็นผู้รอบครอบไรยังไงแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละเวลากิเลสราคะโทสะโมหะจะต้องเผาจิตใจของพวกท่านอยู่ตลอดเวลาก็บนว่าใจร้อน ใจร้อนใจไม่มีความสุขเพราะเหตุไรทั้งที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาเราเชื่อฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่หลวงตาสอนอย่างไรแล้วทําไมเราจึงไม่แนะนำทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับปุงกายวาจาใจของเราให้ไปนแนวแถว ศีลและธรรมถ้าว่าพวกเรานํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วกิเลสตัวไหนจะโผล่ขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะว่าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านเคยใช้ทรมรรติปฏิบัติปราบกิเลสในพระไทยของพระองค์พระหรหันสาวกทั้งหลาย ท่านก็ใช้ทมคำสอนของพระพุทธเจ้าปราบกิเลสในใจของแต่ละท่านได้สำเร็จมักสำเร็จผลมาแล้วแต่นี้พวกเราไม่ได้เอาทำมาปราบกิเลสในใจของเราเมีแต่หันทำออกไปข้างอื่นเอากิเลสเข้ามาส่องสมคิดว่าจะมีความสุขปรุงฟุ้งออกไปคิดว่าจะมีความสุขเอาเรื่องนั้นมาคิดเอาเรื่องนี้มาปรงุง เอาเรื่องโลกวัะสงสารมาวิเคราะห์อยากจะเป็นใหญ่ในโลกวัะสงสาร อ, าอยากจะมีหน้าอยากจะมีตาอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์อยากจะให้คนยกย่องเชิดชูบูชาอยากจะให้เขายกย่องสนับสนุนพวกท่านคิดปรุงฝงออกไปทางอย่างนั้นพวกท่านอย่าวหวังเลยว่าใจของท่านจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุข มีแต่ผลกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาเผากุ่มลุมของใจใจของพวกเราแต่เพราพวกเรานำธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนอย่างไรเรานํำทำคําสั่งสอนนั้นมาปรับปุงกายว่ายใจใจของเราผมมั่นใจว่าใจของเราจะ สงบพร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าปนเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าในวันตัดสรู้ธรรมของท่านพระองค์ทำยังไงพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกตั้งจิตอธิษฐานอีกต่างหากถ้าพวกเราได้ศึกษาในพุทธประวัติพระพุทธองค์บอกว่าเรานั่งในอาจนะใ้คราวนี้ถึงจะถ้าว่าข้าพเจ้าเราไม่ได้สาเร็จ อันพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วถึงเนื้อหนังมังสาจะเหงื่อแห้งไปอย่างไรก็ตามข้าพระเจ้าจะไม่ลุกจากอาสนะนี้โดยเด็ดขาดถึงขนาดนั้นละ่ะพระพุทธเจ้าท่านเด็ดขาดจากนั้นท่านก็ได้ตัดรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนนอันนี้ล่ะคือแต่ความจริงจังและความจริงใจของพระ อ, องค์ตั้งจิตอธิษฐานในวันเดือนหกเพนนนั้นอันนี้ถ้าว่าพวกเราได้ฟังได้ศึกษา จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันท่านวายึดพุทธโธเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเอาสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกระลึกได้สัมปชัญญะญญคือความรู้ตัวกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทแต่ถ้าเราคิดกลมปีแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆใจมันยังแสลับไปทั้งอื่นได้ นั้นจงมีกรรมบบริกรรมพุโทโธด้วยริกรรมพุโทโธอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะเดินจงกรมก็เหมือนกันขาขวาพุทขาซ้ายโธมันยังมีสลบออกไปอีกใจของมันยังสลับมันจะแลบไปที่ไหนให้กำหนดดูร่างกายให้เป็นโครงกระดูกใจเหน่อให้เป็นโครงกระดูกตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าอย่าให้มีเนื้อหนัง เป็นกระดูกให้เป็นโครงกระดูกทั้งนั้นจากนั้นก็ขาขวากระดูกขากระดูกขาขว า, ข า, ขวาพดขาซ้ายโถเอาซิมันจะเป็นไปทางไหนอีกเทนนี่คือให้มันเห็นรู้ว่าเป็นโครงกระดูกเดินแต่บริกรรมด้วยว่าขวาพดขาซ้ายโถนั่นสิเอาให้มันดูอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเรานั่งภาวนาก็เหมือนกันเออ เรานั่งกำหนดให้เป็นโครงกระดูกนั่งจากนั้นกับบริกรรมเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโถใครท้าวาเอาลมหายใจมันผ่านเข้าไปในอโครงจมูกที่มันมีกระดูกอยู่นั่นนะแต่มันไปที่ไหนของเราให้มันอยู่แค่นั้นให้เป็นกระดูกมันจริงไหมในร่างกายของเรามีเป็นกระดูกหรือมันเป็นอะไรหรือไม่ยอมรับว่าร่างกายของเราไม่มีกระดูก นี่แหะอันนี้คล้ายๆว่าความรู้สึกทั้งสามอย่างคือทั้งเห็นทั้งโครงกระดูกด้วยเห็นทั้งลมหายใจรวมบริกรรมพุโทโธด้วยอ่แต่ทําบริกรรมพุโทโธเฉยๆมันยังแสลปออกไปได้เวลาเราเดินยังกรมก็เหมือนกันถ้าขาขวาพุทขาซ้ายโทมันยังแสลปออกไปได้เราก็ให้ตั้งใจให้เห็นโครงกระดูกเดินอย่างนี้เป็นตน้น อันนี้คือการภาวนาเนี่ยเราจะต้องพิกแพงให้รู้จักแต่ถึงยังไงก็ตามเราต้องได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนาซะก่อนถ้าเราคิดได้อย่างเดียวมันก็ยากอยู่แต่บางครั้งก็นีน่นนะบางทีได้ยินจากครูบาอาจารย์แล้วยังไม่ฟังอกีกยังไม่สนใจอกีกยังไม่ทาอย่างที่ได้ยินได้ฟังมา มีแต่คิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกอันนั้นจะทำยังไงได้มันช่วยไม่ได้มีแต่ผลที่สุดผลอารมณ์ของเราไปรับมาจากภายนอกจากนั้นก็บ่นว่าร้อนทุกทุกจริงๆจิตใจปรุงส่งออกนอกเลยทุกจริงๆแต่ไม่รู้จะปรงจะวางยังไงนี่แหละพวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานีนะ พวกท่านทั้งหลายอย่าหวังว่ามจะมีความสุขถ้าว่าไม่เอาชนะใจตนเองได้แต่เราเอาชนะใจตนเองได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นละ่ะเราอยู่นากฐานที่ใดอยู่ในอริยบทใ ด, ดมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเ <sabemos. S 1> พราะเราเอาชนะใจตนเองได้แต่ถ้าว่าเราเอาชนะใจตนเองไม่ได้ <identical. S 1> พวกเราอย่าหวังว่าจะมีความสุขพเพราะความสุขมันอยู่ที่ไหน มันไม่ใช่อยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจต่างหากใจของเรานั่นแหล ะ, ะมันมีความสุขอยู่ที่นั่นเพราะพระพุทธเจ้าพระหัรสาวกท่านอยู่ในเวียงในวังท่านไม่ได้บ่นว่าท่านไม่ได้ชมเชยว่าเราอยู่ในเวียงระวังมีความสุขจริงๆท่านไม่ได้ว่าแต่เพราะท่านเข้ามาบวชท่านชำระใจของท่านท่านอยู่ในกระทบอยู่ในเพลิง อยู่ในโครนต้นไม้ที่แจ้งแจ้งรอมฟางอยู่ที่เป่าเปียวเดียวใดท่านบริกรรมว่าสุกหนอสุกหนอสุก ห, หนอเพราะเหตุไรเพราะท่านไม่มีอะไรที่ไม่มีสิ่งไหนที่จะมารบกวนเหมือนกับสิ่งแต่ก่อนเก่าแต่ก่อนเก่านั้นจิตใจฟุ้งปุงออกไปข้างนอกมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้คนเข้ามาพูดอย่างนั้นตัวเองกับปุงไปเรื่องนี้ โพ้นี้สุดมีแต่ ส, ส, สับสนวุ่นวายในจิตในใจแต่บัด น, นี้ท่านตัดออกแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะตัวไหนไม่มาบรบกวนพระไถลหรือใจของท่านได้แล้วท่านเสด็จหรือท่านประทับอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่ไหนเออท่านเป็นเอกใจของท่านเป็นเอกหนึ่งไม่มีสองคะเมื่อ ใ, ใจของท่านเป็นหนึ่งไม่มีสองแล้วไม่มีกิเลสหน้าไหนตัวไหนเข้ามาบรบกวนวุ่นวาย ใจดวงนั้นได้เพราะใจของท่านเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละท่านก็บอกสุขหนอนี่แหละความว่าสุกหนอคคำนี้นะ่ะเออพวกเราได้ทำบ้างได้กำหนดดูบ้างหรือเปล่านั่นละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเอาให้จริงจังรู้สิว่าอย่าไปห่วงหาอะไรในอารมณ์ต่างๆเพราะอารมณ์ต่างๆที่เราได้พบเคยพบเคยเจอเคยเห็นมาแล้ว ถ้าว่าพวกเราปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกมากๆคิดไปมากๆพิตะปวดหัวเออ ม, มันร้อนสีรัะจะระเบิดเอาเออเพราะเหตุไรเพราะเราคิดออกไปนอกลูนอกทางคิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกเราก็รู้อยู่แล้วอันนั้นคือไฟเอาไปส่งใจออกข้างนอกน่นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมะ ม, มันเป็นเรื่องของกิเลสมีแต่เอาสงเข้ามาข้างในเท่านั้นละตัดกิเลสราคะโทสะโมหะ เราจะไปคิดไปอะไรเราคิดไปเพื่ออะไรเราคิดไปทำไหมเราได้อะไรให้คิดดูดีๆสิว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยจะยืนนานไปสักเท่าไหร่เราจะตายไม่เป็นใช่ไหมเราจะอยู่คลองโรคจั ก, กรวาล น, นี้ต่อไปอันเป็นอนันตการใช่ไหมถามดูสิถามดูใจที่มันปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกถ้าจตห้องเราทันพิจารณาทันมันแล้ว นั่นแหละมันก็หดเข้ามาเนะีมันก็มามีสติอยู่กับตัวเองเนะท่า่อามันจะมุ่งหวังอะไรอ่จากนั้นก็มันมีแต่มุ่งหวังธรรมะเท่านั้นเอจะทํำยังไงใจของเราจริงจะสงบถ้าจิตใจของเราเคยสงบสักครั้งหนึ่งแล้วนั่นแหละมันจะรู้จักที่หลบที่หลีกที่ซ่อนของอารมณ์ทั้งหลาย แต่ถ้ามาพวกเรายังไม่จิตใจยังไม่สงบไม่เคยเห็นรสแห่งความสงบความสงบนั้นเราไม่เคยชิมลิ้มรสเลยความสงบของใจนั่ น, น, นแหละพวกเราก็ยังหาไม่เจอคิดว่าคิดปงฟุ้งออกไปข้างนอกนะจะมีความสุขแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่านัตสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายบวชเข้ามาในพุทธศาสนาควรจะค้นคว้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติหาความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้การหาหาอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านก่อนอย่างที่ผมได้กล่าวที่โคลนต้นโพธิ์ท่านนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเขา้ามีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเขา้ารู้ลมหายใจเขา้ารู้ลมหายใจออกนี่และเป็นกุญแจหรือว่าเป็นกุญแจเปิดเข้าสู่ทมอันลึกซึ้งเข้าไปคือสติสัมปะชัญญะเนี่ยนะในเมื่อจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบแล้ว นั่นแหละเเกิดยาณทัศนะอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันก่อนที่จะได้รู้เห็นอัธรรมในจิตในใจจะเกิดขึ้นท่านก็บอกว่าอย่านี้จากหลักบริกรรมให้บริกรรมพุทโธเป็นหลักนะอยูนะ่ในอริยบทไหนให้พุทโธสำทั บ, ท, บทับอยู่ตลอดเวลา ยืนเดินนั่งนอนให้มีพุทโธอยู่ตลอดเอารู้สิอย่าให้มันส่งออกไปข้างนอกมันเผลอออกไปดึงกลับมาโมทิ ร, รมอยู่ในพุทโธนั่นน่ะนะนี่แหละอันนี้ก็คือทำคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรานําแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติได้เห็นผลมาแล้วรานํามาดูสิมังมาบังคับใจตัวเองสิ เป็นยังไงแต่ถ้าว่าเราไม่ได้นำทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบังคับหรือมาประขับประคองหรือว่ามาบริกรรมมาประพฤติปฏิบัติแล้วเรามีแต่ใช้สัจยาอารมณ์ของเราเก่าแก่คิดปุ่งฟุ้งไปข้างนอกจากนั้นเราก็มาบนา่ น, นอีกทีบวชเข้ามาแล้วหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์แะทมในจิตใจเพราะเหตุใรเพราะเราทํา เราไม่ได้ทำตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเราไม่ได้คิดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเรามีตั้งแต่อยูนิฟอร์มเท่านั้นเองที่เป็นแนวแถวของครูบาอาจารย์แต่จิตใจของเราเออระเหยลอยลมเออเลื่อนลอยที่ไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่เข้ามาศึกษาในธรรมปฏิบัต ผมอยากจะให้ปู่พวกเพื่อนฟังศึกษาการทําฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตากลางคืนเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าจะให้ฟังตั้งแต่หัวค่ําจนถึงยันสว่างไม่ใชเ่เราชอบกันไหนหรือไม่ชอบกันไหนวันนี้เราจะฟังสักกันหนึ่งจากนั้นเราก็นั่งสมาธิแล้วก็เปิดฟังพอเปิดฟังเสร็จแล้วจบกันหนึ่งแล้วก็ปิดปิดวิทยุ แล้วก็นั่งภาวนาต่อจากนั้นเราก็นั่งภาวนาเลยก็ได้หรือเราตอนหัวค่ำเราไม่ต้องฟังก็ได้ตอนถืนดึกตอนเที่ยงคืนตัวตอนตีสามตีสี่ตีสามขึ้นมาเราลุกขึ้นมาในช่วงนั้นแล้วก็เปิดเทปหลงตาแล้วก็นั่งภาวนาฟังขอให้ฟังวันละหนึ่งกันจะมีแนวความคิดทางด้านจิตใจของพวกเรามากกว่านี้ แต่นี้พวกเราท่านทั้งหลายที่ผมเห็นเห็นเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนจะไม่ได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยแล้วพวกเราจะเข้ามาศึกษาธรรมะเราจะมีความรู้ความฉลาดมีความรอบครอบได้อย่างไรการเข้ามาบวชต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาจากครูบ า, าอาจารย์ยังวัดสุดตามมัจยปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินจินตนาไข้ควนทบทวนในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมานั้นมันก็เกิดปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทาจิตใจให้สงบแล้วนำมาพิจารณาไตรตองเหตุและผลจะรู้แจ้งเห็นจริงได้เมื่อจิตของเราสงบ ดีแล้วก็นํามาพิจารณานี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่สุดตมยปัญญาจิตตมยปัญญาภาวณามยปัญญาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะต้องฟังต้องศึกษาปราจากการศึกษาปราจากการค้นคว้าแล้วจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้น้อยมากผมมองไม่เห็นเลยทางที่จะฉลาดได้ ใช่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าฟังเทศนะอย่าอ่านหนังสือนะภาวนาลูกเดียวฮะใช่ถ้าว่าในขณะที่เราเร่งความเพียรเราจะไปค้นคว้าศึกษาแต่เมื่อเราก่อนที่เราจะศึกษาหรือเราจะทําความเพียร น, นั้นเราก็ต้องศึกษาแนวทางซะก่อน เ, ออเหมือนกับเราจะเดินทางไป จังหวัดเชียงใหม่อย่างเนี้ยถ้าเราไม่รู้แนวทางสะก่อนเราไม่รู้ทางสก่อนเราไม่ได้ดูไม่ได้ดูแผนที่สัก่อนเราไม่ได้ศึกษาถามไถ่ใครสะก่อนพวกท่านคิดดูก็แล้วกันว่าเกิดมาแล้วไปเชียงใหม่ไปจะยินดับไปเชียงใหม่มันจะเดินไปทางไหนพวกท่านทั้งหลายคิดดูก็แล้วกันคนคนนั้นจะเดินไปทางไหนไม่รู้เลยไม่รู้ทางเลย มันเดินไม่ถูกไปไม่ถึงที่ถึงจุดหมายปลายทางหรอกอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางเราก็ต้องถามคนต้องศึกษาค้นคว้าว่าทางไปเชียงใหม่นะไปทางไหนต้องถามคนจากนั้นก็ดูแผนที่ดูทิศ ต, ตะวันตกหรือทิศตะวันออกมันเฉียงไปทางไหนเดินไปทางไหนมันจึงจะถึงทางที่เราต้องการ ในเมื่อเราศึกษาแล้วเดินเราไปเดินไปมันก็ถึงจุดหมายปลายทางธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยวันแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนพวกเรามันก็เหมือนแผนที่นั่นแหละเอเหมือนกันให้พวกเราได้เดินตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนถ้าพวกเราเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วนั่นแหละจะถึงจุดหมายปลายทาง ไม่วันใดก็อต้องวันหนึ่งขอสัมพั์ให้เราจริงจังและจริงใจศรัทธาคือความเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแหละแต่หาว่าพวกเราไม่เชื่อแล้วอย่างว่าเหมือนกันนะไม่เชื่อในแผนที่ถึงจะดูแผนที่เราก็ไม่เชื่อในแผนที่ถึงคนจะแนะนำให้ฟังเราก็ไม่เชื่อในคนแนะนำอีกอะและเป็นยังไงหันหลังให้คนทั้งหันหลังให้แผนที่ไปตรงข้ามกันกันกบแผนที่บอกกล่าว แล้วก็ไม่เชื่อในผู้แนะนําสั่งสอนอีกแล้วพวกเราไปไงเอสิ่งไหนที่มันต่ําเร็วซามเอาตามใจตัวเองชอบอยากคิดไปทางไหนก็ไปโดยมากมันจะมีแต่ลุ่มเลือกลงไปเรื่อยๆนะเอมันจะไม่ถึงอสิ่งไหนที่มันดีมันจะไม่ไม่ไปแล้วนะมันจะไปทางต่ำแล้วน่ะแนตะ่ต่ำก็คือไหนะทางนรกอเวจีนะนะั่นแหะ ทางกิเลสราคาโทสะโมหะโลภโกรหลงนั่นนะขอให้ท่านพวกเราทุกทุกท่านนะพูดทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป็นการแนะแนวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเรื่องอสมาธิเนี่ยที่พวกเราเข้าวบ้านเขามาบวชเรื่องมาปฏิบัติเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าว จากนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วจิตใจได้รับความสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วก็ น, นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาวิปัสสนาสมาธิก็คือสมทัทธาวิปัสสนา ค, คือแนวความคิดปรงุงคิดหาเหตุผลมาหักล้างเพราะใจของเราเนี่ยตั้งแต่ เป็นมดเป็นแมลงเป็นสัตว์สาลาสิงขึ้นมามันก็คิดไปในทางกิเลสราคะโทสะโมหะแต่นี้เมื่อเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วได้นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาดูเรารักอะไรเราหลงอะไรเราชอบอะไรทําไมใจของเราจึงใฝ่ในกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างนั้นะ แต่เนี่ยเรามาพิจารณาแยกยุแยะดูพิจารณาที่ไหนเทียบนอกเทียบในเทียบนอกก็คือเห็นร่างกายของคนอื่นเทียบในก็คือร่างกายของเราเห็พิจารณาร่างกายของเราเลยสิว่าตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยมีอะไรบ้าง เ, าเราจะพิจารณาเป็นอสุภะหรือพิจารณาถึงร่างกายพิจารณาหนังแอบพระพุทธเจ้าท่าน สอนพระใหม่ที่เขามาปดวดทำไมกรรมฐานห้าเนี่ยเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังท่านให้พิจารณากรรมฐานห้าเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะมีเวลาน้อยต่อไปยังค่อยพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปกว่านี้อีกนี่แหละพระอุปชาท่านสอนกรรมฐานให้แก่พวกเรา ผู้ที่จะบวชต้องได้เรียนกรรมฐานห้ากรรมฐานก็คือทำทาให้จิตใจของเราไม่หลงงมงายไม่ปุ้งฟุ้งซ่านแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เรียนกรรมฐานไม่รู้กรรมฐานเราก็ต้องเห็นว่าร่างกายสังขารเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยเสร็จสวยงดงามมองไปที่ไหนก็มีแต่ความสวยงามอันนี้คือใจของเราปกเสก หลงในตัวเองแต่พระพุทธเจา้าท่านบอกเกษาผมดูสิกำหนดดูสิถอนผมขึ้นมาเลยสิถ้ามันหล่นลงไปในอาหารมันเป็นยังไงมันไปติดในข้าวเราทานได้ไหมันยแล้วผมมันสะอาดไหมถ้าเราไม่สระไม่ล้างไม่ทำความสะอาดมันจับเกล็ดกลังันไปหมด เ, ออเหมือนกับคน เห็นตามถนนโหนทางมันไม่อาบน้ำไปยังไงผมของเขาไปยังไงมันดูดูแล้วมันน่าขยะขยงถ้าเราเทำความสะอาดขึ้นมาก็หลงในผมอีกเท่หนี่แหละผมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันถ้าเราไม่ล้างไปทำความสะอาดขี้เล็บเต็มไปหมดแล้วเป็นยังไงฟันก็เหมือนกันถ้าวันเราขัดทาความสะอาด ก็หลงในฟันอีกเพราะฟันสวยแต่ตามไม่จริงถ้าเราถอนออกมาเราไม่ทำความสะอาดมันเป็นยังไงทันตาฟันตะโจหนังในร่างกายของเราหนังร้อมรอบอยู่ในร่างกายถ้าถลกหนังออกหมดแล้วเอาไปกองไว้ได้ไมมันมีแต่ร่างกายมีแต่แต ออโคกงน้งออกล้วเป็นยังไงแดงเถือกเลื่อนออกเต็มไปหมดแล้วมันสวยงามไหมท่นหาความสวยงามไม่ได้ร่างกายนี่แหละพราะพร ะ, พระเจ้าท่านบอกให้ดูนะร่างกายของเราเป็นอย่างนี้จริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าทำอย่างที่วามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่มีใครปฏิเสธมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงแต่ใจของเราที่อยู่ในเดี๋ยวนียความนึกคิดความปรุงของเราเนี่ยนะ มันหลงร่างกายของเราถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงในร่างกายของเราแล้วพิจารณาเปรียบเทียบคนอื่นก็เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันถ้าถลกหนังออกอย่างที่ว่าแล้วน่ารักใครชอบใจที่ตรงไหนนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอสุภะอย่างนี้นะเป็นของปฏิกูลอย่างนี้นะ แล้วอีกอย่างท่านไงพี่นานว่าร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แนนอนนะเป็นอนิจจังนะของไม่เที่ยงนะอีกสักวันหนึ่งจะไหมรอตะก่อนเป็นเด็กตัวเล็กต่อมาก็เป็นเด็กน้อยต่อมาก็เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็มีเออเริ่มเข้าวัยกลางคนจากนั้นก็เข้าวัยเริ่มเข้าวาัยชราจากนั้นก็เข้าสู่วัยชรา แล้วผลที่สุดก็ตายอาแต่จะเข้าวัยชราหรือไม่เชาววัยชราก็ตายได้ทั้งนั้น เ, เด็กก็ตายได้เอระดับไหนตายได้ทั้งนั้นไม่ได้เลือกว่าอายุเท่านั้นเท่านี้ปีเท่านั้นเดือนชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับเปรียบเทียบก็เหมือนกับผ ล, ลไม้อย่างนะเอมมันเป็นดอกขึ้นมาลูกเล็กๆมันก็หล่นได้ จากนั้นก็พอใหญ่ขึ้นมากันหล่นได้พร้อมที่จะหลน่นแต่ว่าผ ล, ลไม้ทุกลูกไม่มีผ ล, ลไม้ลูกไหนจะเป็นอยู่ข้ามปีเออต้องหล่นหมดทุกกลุกอันนี้ก็เหมือนกันเราเกิดมาพร้อมที่จะตายในทุกเวลำเวลาแต่ไม่มีใครที่จะอยู่โชกฟ้าดินสลายผลที่สุดก็มีจุดจบทุกคนเนี่ย ท่านให้พิจารณาร่างกายของเราอันนี้แหละคือวิปัสสนาคือพิจารณาไข้ควรทบทวนไตรตรองให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราเราได้อะไรเดกอาพระพุทธเจ้าทว่าเมื่อรู้เห็นตามเคื่อนความเป็นจริงแล้วใจของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อใจของเรารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วใจของเราก็จะเบื่อหน่ายคลาย นิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายใจของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในเมื่อเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของกิรังถาวรนะอีกสักวันหนึ่งจะต้องถึงจุดจบแต่ในเมื่อมันเห็นร่างกายว่าจะต้องถึงจุดจบเพราะพระเจ้ายังให้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นท่านไหนพิจารณาถึงตัวผู้รู้คือใจอีกทีเนี่ยกาหนดเข้ามาหาใจอีกถึงใจที่ไปรู้ไปหลงเขานะ ร่างกายเขาก็เป็นร่างกายของเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ใจของเราเนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยไปหลงร่างกายไปให้ความสําคัญร่างกายไปปลุกเสก ร, ร่างกายให้เป็นของพิเศษวิโสเมื่อปลูกเสก ร, ร่างกายตนเองนะไปปลุกเสก ร, ร่างกาย ข, ของคนอื่นว่าเป็นของเสรสวยงดงามว่าเป็นของจิรังถาวรผลที่สุดมันไม่จีรังถาวรทั้งเขาทั้งเรา เพราะนั้นใจอย่าไปหลงว่าร่างกายของตอนเองหรือร่างกายของคนอื่นนั้นจะเป็นของจีรังถาวรนะอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้ว่าวันไหนแล้วเขาทั้งเรานะ่ะจะต้องหลงสู่อนิจจังทุก ข, ขังอนัตตานะใจนะนะั่นเลยจากนั้นใครย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจมองใจของตนเองใจของเราเนี่ยคไม่ใช่ของนิจจังเหมือนกัน เดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดชั่วเดี๋ยวกดดีใจเดี๋ยวก็เกสียใจเออเดี๋ยวก็มีอารมณ์โมโหโทโสโกรธาโลภ โ, โกรหลงในจิตในใจถ้าเรามีสติเออของเราสติของเราดีปัญญาของเราดีสติกับปัญญาดูที่ใจของเราเราจะเห็นได้ชัดว่าใจของเราเนี่ เป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ตัวอื่นมันอยู่ที่นี่หมดสุภะและอสุภามันก็รวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดโลภโกรธหลงมันอยู่ที่นี่ทั้งหมดใจดวงนี้แหละเป็นเรื่องทั้งหลายเจ้ากี่เจ้าการเจ้าวัตตะสงสารเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าใจดวงนี้สิ่งไหนเป็นอนิจจังสิ่งนั้นสิ่งไหนเป็นอนิจจังสิ่งไหนเป็นทุกข สิ่งนั้นของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราท่านในปฏิเสธกระทั่งใจของเราอีกต่างหากปฏิเสธกระทั่งผู้รู้ในใจของเรานี we right ่นแะใจของเราก็ไ ม, ไม่ใช่เราอีกเพราะอะไรมันอยู่ในไตรลักษณ์อันใดจางทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้ปฏิเสธกระทั่งตัวใจอีกต่างหากเพราะนั้น พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อเราปฏิเสธใจแล้วเราจะได้อะไรเราจะรู้อะไรเราจะเห็นอะไรสิ่งที่จะเห็นจะรู้นั้นเหมือนกับเราแต่ก่อนเราไม่รู้หนังสือน ะ, เ, อะเมื่อเรารู้หนังสือแล้ว เ, เรารู้ความหมายของหนังสือกอไก่แล้วจะไงนั่นแหละความโง่ที่เราไม่รู้มันก็ตกไปนี้ก็เหมือนกันนะ เมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราปล่อยวางแล้วนะความบริสุทธิ์หลุดพ้นน่ะจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเนี่ยแหละคือความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทิ้งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางเมื่อปล่อยวางใจของเราก็เออเป็นบรมมสุขเลยเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว ใจว่างว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นเพราะเห็นแต่แล้วมันจะเบียดมั่นทำไมพอดูใจองตัวเองแล้วับมันก็จยุกหยิกยุกห ย, กยกมันเป็นอันนี้จังไม่เที่ยงอยู่แล้วสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนไม่สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แลหละเมื่อเราปล่อยวางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านบานแล้ว รู้แจ้งเห็นจริงแล้วนิพพานไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ที่ใจดวงนั้นน่ะอยู่ที่ปล่อยวางนั้นอ่ะติดตัวจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังศูนยังนิพพานศูนสศูนย์อะไรศูนย์เชื้อที่จะทำให้มาเวียนว่ายตายเกิดเนะวตะสงสารนะเรากำจัดออกแล้วนะอันนี้วัาหมดเชื้อ ใจหมดเชื้อใจไม่มีเชื้อที่จะทําให้ไปเกิดอีกเนี่ยนิพพานังปรมังศูนยศูนย์อย่างนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีกิเลส ต, ตัวไหนหน้าไห น, นจะมารบควนความบริสุทธิ์นั้นได้อีกต่อไปนี่แหละธรรมธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ถึง ผลที่สุดแล้วถึงเราจะให้ทานรักษาศีลภาวนามันก็เรียงลาดับลาดับลาดับลาดับพมาแต่ผลที่สุดที่ปล่อยวางจริงๆไม่ได้อยู่ที่ไหนนะไม่ได้อยู่ในทานไ ม, ไม่ได้อยู่ในศีล น, นะไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ในบุคคลในบุคคลหนึ่งมันอยู่ที่ใจของพวกเราเนี่นะ่ะเพานั้นพวกเราทั้งทั้งหลายการภาวนาให้ดูใจให้ดู ความนึกคิดของตนเองตัวนึกคิดตัวนี้แหละถ้ามันส่งออกไปข้างนอกก็อย่างที่ว่า น, นั่นร้องโห่มเพราะให้เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะกิเลสมันพาไปกิเลสราคะโทสะโมหะมันพักดันออกไปแต่ตามไม่จริงเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมีสติรู้แจง้งเห็นจริงแล้วนั้นกาหนดดูที่ใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ นั่นแหละบรมสุขอยู่ที่ตรงนั้นเพรดงพวกเราทุกทุกท่านนะให้ศึกษาจุดนี้นะให้ศึกษา อ, อแล้วก็ไข้ควรทบทวนพิจารณาดูให้ดีเ อ, อไม่ใช่ว่าพิจารณาแบบผิวเผินไม่ได้นะธรรมะจุดนี้เป็นสมะที่ลึกซึ้งมากที่พ่อแม่ครูบายอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนออให้ทบทวนแลวทบทวนอีก พิจารณาแล้วพิจารณาอีกไข้ ค, ควรแล้วไข้ควรอีกอไตร ต, ตรองนั้นไตรตรองอีกเอไม่ใช่ว่าเพียงครั้งเดียวไม่ได้สองสามครั้งไม่ได้ เ, เป็นหมนนื่นหมื่นเช่นแสนครั้งถึงั้นได้เมื่อเราพิจารณาเมื่อไร่เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นมันเห็นอนันใน จ, จังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นมันจะไปยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไงท๊เพราะมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วเป็นพิจารณาเมื่อไรมันก็เป็น ของไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้น อ, อพิจารณาเมื่อไรมันก็อันไหนคือสาระของมันอันไหนคือความเป็นแก่นสารของมันอันไหนที่เป็นประโยชน์ของของเรื่องนี้เมื่อเราพิจารณามีแต่มีแต่โทษเอ่อมีแต่เรื่องราวเออมีจะมีแต่แตบ่อกเกิดแห่งความทุกข์อืมที่จะเข้ามาสู่จิตใจของเรานั่นแหละเท่นี่ มันจะไปยึดมั่นถือมันได้อย่างไรมันก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางที่ใจนะธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนนะันะอย่าไปหาที่อื่นแต่ก่อนที่จะเข้ามาตรุงบอลถึงจุดนี้ได้นะไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันอะมันมีหลายรั้วกันเหลือเกินาบางทีนั่นะนะ่ะเขามาบวชแท้ๆว่าจะเอาเอาชำระใจของตนเองแท้ๆ เขามายังร้องห่มร้องให้ออหันหลีหันขวางว่างั้นแต่ทั้งที่มันจะเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจดวงเนี้ยออรู้แจ้งเห็นใ จ, ใจมันปล่อยลูกศลออกไปเรายังไปวิ่งตามไล่ลูกศรของมันอีกแต่ตามไม่จริงเราต้องหันออดูที่มันทำอะไรออกไปนั่นนะมีสติสัมปชัญญะ ความนึกคิดของจิตใจมันปุงฟูงออกไปจากไหนถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงตรงที่มันปล่อยออกไปแล้วกันนะาวางนิวเคลียร์นิวตอนเข้าไปเลยเธรรมะอนัตตานะีา่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างมิใช่ตัวตนของเรา น, ะนั่นแหละตัวนี้แหละเป็นธรรมะที่ลูกระเบิดที่จะทำลายาวัฏจักร กิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจได้ไม่มีธรรมะข้อไหนธรรมะข้อนี้แหละธรรมะบทนี้แหละธรรมะตัวนี้แหละปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนั่นะนหะที่จะตัดพพตัดชาติของพวกเราได้วันนี้หลวงพ่อคิดว่าจะไม่พูดเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่ามีภาระธุระหลายเรื่องเรา ได้ปรึกษาปารปกับพระสงฆ์เรื่องเจดีย์เรื่องอะไรแต่ก็เห็นว่าไม่ได้พูดมานานทำให้ทำให้พูดเฉลยไม่พูดเรื่องจิตตะโวนาเสเลยก็ทําให้จิตใจของเรา<ม>ห่างเหิด<ม>เพอเผลอจะคิดว่าตัวเองจะไม่ตายทุเรศซ้ําไปคิดว่าตัวเองจะไม่ตาย มันหลงถึงขนาดนั้นมนุษย์นะเอที่แท้ไม่รู้ว่าวันไหนแนละ้วพระยามจุราชถือดาบจ้องตามหลังเดินจ้องตามหลังของเราอยู่ทุก เ, เวลาเอทําเมื่ออีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนนะมันปิดจมูกเข้าไปกันนะชักดินชักงออไม่รู้ว่าเราเขาไมาเ่เรีย ว, ว่าอายุแกเท่ก่อนนะยังค่อยตายนะเขาไมาเ่เรีย ว, ว่า พวกเราทั้งทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีให้สงสังสมให้ตัวเองพิจารณาเห็นอนนจังทุกขังอนาตาเอาไว้นั่นแหละถ้าพวกเราปฏิบัติได้ย่งัง้นพยามารมารคือกิเลสตามหาไม่เจอแต่ถ้าว่าพวกเรายังง่วนอยู่กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่แล้วพยามาร กิเลสชมาณหัวร้อยเยะพวกเราได้นะขอให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจเนอะมาประพฤติปฏิบัติทาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้อดทนจากนั้นก็ให้พิจารณาอย่างที่ผมพูดผมกล่าวถ้าพวกท่านยังไม่มั่นใจกนะ็ฟังเทศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่ผมได้แนะนำให้ฟังนี่แหละผมว่า ผมมั่นใจเหลือเกินว่าคงไปตามแนวแถวที่ผมได้บอกกล่าวให้หมู่พกเพื่อนฟังนี่แหละนะนการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ